เรื่องที่38ห้าป่าศสนาของพุทธศาสนามีอยู่ว่าพบที่สัตว์โลกถือกำเนิดอยู่เวลานี้มีห้าพบด้วยกันคือพบมนุษย์เหล่านี้หนึ่งพบเทพที่เรียกว่าสวรรค์หนึ่งพบดิรัจฉานหนึ่งพบนรกหนึ่งพบเปรตหนึ่งพบทั้งห้านี้มีพบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง หรือเป็นชุมทางหมายความว่าคนเราตายจากชาตินี้แล้วอาจตรงไปถึงกำเนิดในภพใดภพหนึ่งก็ได้หรือไม่ไปไหนอาจอยู่ที่ชุมทางนี้ก็ได้ตามทัศนะทางศาสนาก็หมายความว่าเวลานี้เรากำลังอยู่ที่ตำบลชุมทางเรื่องของคนอยู่ที่ชุมทางนี้มันก็ว่าอย่างนั่นแหละ มีทั้งเคราะห์มีทั้งโชคชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าชุมทางเมืองชุมทางนั้นไม่ว่าเมืองไหนเมืองนั้นต้องมีคนแปลกหนะ้ามีคนนิสัยแปลกและมีอะไรแปลกๆจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ถ้าเราจับเอาคนที่ถ้าอากาศยานดอนเมืองมาตรวจค้นดูเราก็จะพบว่าบางคนพกเงินดอลลาร์ บางคนพกเงินรูปีและบางคนพกเงินเยนทำไมคนเหล่านั้นจึงเตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้ไม่เหมือนกันก็เพราะคนเหล่านั้นคิดจะเดินทางไปคนละจุดใครจะไปอเมริกาก็สะสมเงินดอลลาร์ใครจะไปอินเดียก็สะสมเงินรูปีใครจะไปญี่ปุ่นก็สะสมเงินเยนเขาอยู่ที่ห้องพักผู้โดยสารห้องเดียวกันก็จริง แต่คติทางไปของเขาต่างกันคนในเมืองมนุษย์เราก็เหมือนกันมนุษย์โลกยิ่งเป็นชุมทางใหญ่ใครจะไปสวรรค์ไปนรกไปพบเจริะฉานต้องผ่านที่นี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมืองมนุษย์จึงมีจิปาถะมีคนหลายชนิดบางพวกเตรียมไปสวรรค์บางพวกเตรียมไปนรกว่าเขาไม่ได้ เพราะมันเป็นเมืองชุมทางอย่าบ่นว่าทำไมจึงมีคนพันนั้นพันนี้ทำไมคนจึงไม่เป็นเหมือนที่เราคิดหมดทุกคนไม่ต้องบน่นธรรมดาเมืองชุมทางก็มีบริการต้อนรับคนเดินทางหลายชนิดร้านอาหารจีนมีฝรั่งมีแขกมีที่กินที่เที่ยวก็มีไว้หลายอย่างไว้ต้อนรับคนเดินทาง เมืองมนุษย์เราก็เหมือนกันธรรมชาติสร้างมาให้มีหลายอย่างสนามมวยมีสนามาม้ามีวัดมีซ่องโจรมีบ่อนการพนันมีโรงเล่าโรงยาก็มีมีไว้สําหรับให้คนเดินทางได้สะสมเสเบียงเหมือนคนเดินทางมาแลกเงินอย่างนั้นเองใครจะไปสวรรค์ก็ได้เตะเข้าหาที่ทําบุญใครจะไปนรกอเวจี ก็จะได้เตะเข้าหาที่ทําบาปเรื่องของเมืองชุมทางมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่าไปนั่งบ่นว่าไอ้น่นเมื่อไหร่จะเลิกไอ้นั่นเมื่อไหร่จะยุบข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ตัวเราว่าเวลานี้เราอยู่ที่ตาบลชุมทางแล้วจะไปทางไหนก็เลือกเตรียมตัวเอาเองอย่าคิดว่า ถ้าอะไรมีในเมืองมนุษย์แล้วดีทุกอย่างเราเองต้องเลือกชีวิตของคนที่อยู่เมืองชุมทางก็อย่างนี้ทั้งนั้นพูดแล้วก็ขอคุยต่ออีกสักนิดเถอะคติทั้งห้านั้นสำหรับพบเดรัชานนรกเปรตคงจะไม่มีใครอยากเจอแน่ข้าพเจ้าคนหนึ่งสามพบนั้นขอไม่ปรารถนาแน่นอน อย่างสองสัตว์เรัฉานนี่ต่อให้เป็นพยาศาสตร์ก็ไม่เอานารกเปรตก็เหมือนกันถึงจะให้ไปครองตำแหน่งยมบาลเสียเองก็ไม่รับประทานท่านผู้ฟังก็คงจะเหมือนกันที่พวกเราต้องการกันมากก็เห็นมีแต่มนุษย์กับสวรรค์สองแห่งนี้เท่านั้นทีนี้อยากจะถามดูสักหน่อยว่าถ้าสมมติว่าก่อนที่เราจะตายนี่ มีผู้วิเศษจะเป็นพระเจ้าหรือพระอินทร์พระพรหมที่ไหนก็แล้วแต่เถอะให้เราเลือกเอาเองว่าจะไปเป็นเทวดาในสวรรค์หรือจะเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังจะเลือกเอาทางไหนจะสมัครเป็นคนหรือเป็นเทวดาใครที่คิดจะเป็นเทวดาก็ได้แต่ขอให้ตรองดูให้ดี เชื่อแน่หรือว่าเป็นเทวดาจะสบายกว่าเป็นคนข้าพเจ้าคิดเองว่าไม่แน่จริงมีหนังสือบอกว่าพวกเทวบุตรแต่ละคนมีนางฟ้าคอยปรนนิบัติคนละหลายๆร้อยข้าพเจ้ายังไม่เห็นว่าเทวบุตรจะมีความสุขสบายได้อย่างไรเราเป็นคนนี่แม้จะมีผู้หญิงมารักซักสองถึงสาคนพร้อมๆกันมันก็ปวดหัวไม่ใช่น้อย ถธอเกิดเป็นเทวบุตรแล้วมีนางฟ้ามารุมรักตั้งร้อยร้อยพันพันจะทำยังไงเราจะไม่เล่นด้วยก็ไม่ได้พระท่านบอกว่าเวลานี้มีนางฟ้ารออยู่แล้วต้องรักกบเจ้าจึงได้บอกว่าเธอเกิดเป็นเทวบุตรแล้วถูกบังคับอย่างว่านั้นก็กรรมไม่เป็นดีกว่ารักระสาอะไรมีการบังคับด้วย ฝ่ายเทพธิดาก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างที่ว่าว่ากันไม่เป็นดีกว่ามั้งคือเทพบุตรองค์เดียวมีเทพธิดาตั้งห้0ร้อเราเป็นมนุษย์นี่เพียงแต่มีผู้หญิงอื่นมาขอหุ้นรักหน่อยคนสองคนก็ดิ้นพลาดพลาดแล้วเพียงแต่คนรักแบ่งหัวใจเฉลี่ยให้ผู้หญิงอื่นบ้างแบ่งสองส่วนสส่วนยังบนกระปอดกระแปด เ้าเกิดไปแย่งหัวใจเทวบุทคนเดียวตั้งห0 0 6 0 0ส่วนจะได้คนละกี่มากน้อยพูดมาแล้วก็หนักใจแทนคงไม่ต้องทำอะไรมีแต่นั่งหึงกันแล้วก็จุติจากสวรรค์เท่านั้นเองที่พูดนี้ไม่ใช่ขัดคอเทวดาแต่อยากบอกกล่าวกันนิดเดียวว่าการที่เราเกิดเป็นคนนี้โชคดีนักหนาแล้ว เรามีโอกาสดีเหลือเกินที่จะไปสู่พบไหนก็ได้เพราะเราอยู่ตำบลชุมทางแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดว่าจะไปเป็นอะไรอะไรมันก็สู้เป็นคนไม่ได้ถ้าหากมันยังจะเป็นอยู่อีกแล้วก็เป็นคนดีกว่าจึงขอชักชวนให้เราทำความดีกันในปัจจุบันนี้ในชาตินี้ถ้าในชาตินี้ยังทำความดีไม่ได้แล้ว ที่คิดจะไปแก้ตัวเอาชาติหน้านั้นดูขัดสนเต็มทีสำหรับข้าพเจ้าเองบอกใครๆอย่างตรงๆว่าหากยังจะต้องเกิดอีกกี่พบกี่ชาติก็ตามก็เกิดเป็นคนตลอดไปเพราะเห็นมีทางทำความดีได้กว้างขวางเหลือเกินและคิดเสมอว่าหากเราเป็นคนทำความดีกับคนด้วยกันไม่ได้แล้วก็แย่จะไปคิดทำความดีกับใครอีก หาเรื่องทะเลาะกับคนด้วยกันแล้วคิดจะไปประจบกับเทวดาอย่างนั้นจ้างเทวดาเขาก็ไม่เล่นด้วยจะอย่างไรก็ตามในการครองชีวิตมนุษย์อย่างเราเราท่านๆ่านนี้ก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่าโลกมนุษย์บ้านเมืองที่อยู่นี้เป็นตำบลชุมทางมีทั้งบริการที่เป็นคุณมีทั้งบริการที่เป็นโทษโลกนี้ต้องเป็นอย่างนี้ แม้ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันอยากจะเล่าพระพุทธจรรยาให้ฟังสักเรื่องหนึ่งจะได้เป็นข้อคิดทั้งเทพบุตรเทพธิดาน่าจะพิจารณาดูเรื่องย่อๆมีว่าในระหว่างที่พระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโกศลและเป็นเมืองที่เจริญมากในยุคนั้น แต่ก็คงเจริญแบบชุมทางอย่างที่ว่ามาแล้วจะด้วยเหตุผลกันใดไม่ทราบชัดปรากฏว่าพวกผู้ชายที่มีเมียแล้วได้จับกลุ่มกันจะเป็นสมาคมในรูปไหนก็ไม่ทราบจะฟังดูตามเรื่องนั้นว่ามีวัตถุประสงค์จะอบรมเมียผู้ชายเหล่านั้นได้มีการหาเรือกันว่าเวลานี้บรรดาแม่บ้านของพวกตน พากันมัวเมามากไม่ปฏิบัติตนสมกับเป็นภรยาที่ดีแล้วก็ลงมติส่งภรยาเหล่านั้นไปมอบให้นางวิสาขาอบรมให้จำนวนหลายร้อยคนในระหว่างที่การอบรมดำเนินไปอยู่นั้นก็พอดีถึงเทศกาลดื่มเหล้าของพวกผู้ชายตามเรื่องนั้นว่าที่เมืองสาวถีก็มีงานชนิดหนึ่ง มีการกินเหล้าตลอดเจ็ดวันถ้าจะเรียกชื่อโกโก้อย่างทุกวันนี้คงจะเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มเหล้าพวกผัวเหล่านั้นส่งเมียไปอบรมเสร็จแล้วพวกตัวก็ไปดื่มเหล้าเมาอุตลุดเจ็ดวันเจ็ดคืนบรรดาเมียทั้งหลายเห็นผัวดื่มเหล้าก็เลยรวมหัวกันดื่บบ้างเมาไม่เป็นท่าเหมือนกันนางวิสาขาก็ห้า แต่ไม่ได้ผลแม่พวกนั้นก็อ้างอยู่คำเดียวว่าผัวฉันกินฉันก็ต้องกินจนกระทั่งวันหนึ่งนางวิสาขาพาพวกผู้หญิงไปนั่งฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าพวกนั้นก็ตึงๆกันไปแล้วทั้งนั้นเตรียมจะฮาป่าเวลาพระพุทธเจ้าเทศแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทันจึงทรงใช้อานาจจิตบังคับไว้เสร็จแล้ว ตรัสว่าโลกลุกเป็นไฟอยู่ออกอย่างนี้พวกเธอยังมัวร่าเริงอยู่อีกหรือพวกเธอถูกความมืดปกคลุมอยู่แล้วฉะนจึงไม่หาแสงสว่างเล่าประดมตรดนี้ทำให้สตรีเหล่านั้นรู้สึกตัวขึ้นมาฟังแล้วสะดุง้งจนถึงกระสังเมาและได้สติเรื่องนี้น่าคิด และเป็นพระดำรัต์ที่ภพเราะจับใจหมอะเหลือเกินที่พวกเราจะเขียนติดไว้ที่หน้ากระจกหวีผมในสมัยนี้เนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคนผิดคิดแต่จะอบรมคนอื่นผัวก็คิดอบรมเมียอยากให้เมียดีถึงก็ส่งเมียเข้าวัดแต่แล้วพวกพอเทพบุตรทั้งหลายกลับไปเปิดสัปดาห์แห่งการดื่มเหล้า คนแย่คือนางวิสาขาซึ่งเป็นผู้อบรมเมียให้ห้ามเมียเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าอย่าดื่มเหล้าเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเขาจะดื่มประท้วงผัวประท้วงไปประท้วงมาเกิดกำเริกถึงกับจะนัดกันฮาป่าเวลาพระพุทธเจ้าเทศจะตกนรกไม่รู้ตัวพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าหน้าคิดนั้น พระองค์ตัดบทลงไปทีเดียวว่าโลกมันกําลังลุกเป็นไฟจะมามัวหัวเราะร่าเริงอยู่ยังไงแล้วส่งท้ายว่าตัวตกอยู่ในที่มืดแล้วยังไม่รู้จักหาข่มไฟพระดํารัสอย่างนี้จะว่าดูก็ไม่เชิงแต่จะว่าดูก็ได้แทนที่พระองค์จะตรัสว่าผัวเมากินเหล้าก็ช่างเขาเราอย่ากิน พระองไม่ว่าแต่ทรงตัดบทลงไปว่าโลกมันลุกเป็นไฟอยู่อย่างนี้วหรรษกันทำไมหมายความว่าอย่าไปมัวเกี่ยงคนอื่นเขาก็เขาเราก็เราเมื่อเขาทำไม่ดีทำไมเราจะต้องเอาอย่างเขาด้วยและบทท้ายที่ตรัสว่าตัวมืดแล้วยังไม่หาไฟนั้นยิ่งน่าคิด การที่ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวจะเป็นผัวหรือเมียก็ตามประพฤติตัวในทางผิดแสดงว่าความมืดได้ครอบคลุมครอบครัวนั้นแล้วคนที่ยังไม่น่ามืดน่าจะหาคมไฟมาช่วยคือช่วยหาแสงสว่างแห่งจิตใจไว้การที่เห็นคนอื่นผิดแล้วเราเลยทำผิดประชดซ้าอีกนั้นมันผิดแบบของบรมครูของเรา ในทุกวันนี้คนไทยเรายิ่งน่าจะต้องคิดโลกลุกเป็นไฟอยู่แล้วดูไปที่ประเทศอื่นๆเขาเกาหลีลาวยวนทิเบตเยอรมันและประเทศอื่นๆ อ, อีกแยะลุกเป็นไฟอยู่แล้วเมืองไทยเรานี้มีคุณพระคุคณเจ้าผลบุญกุศลยังคุ้มครองเรายังสนุกยังกินยังเที่ยวกันเต็มที่ เป็นโชคนักหนาแล้วแต่ควรจะคิดคำนึงถึงภัยบ้างนึกถึงพระพุทธธรรมรัตที่ว่าโลกลุกเป็นไฟอยู่แล้วจะมัวร่าเริงอยู่หรือและควรจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคนเราเมื่อใจมืดแล้วมักจะไม่เห็นคุณพระศาสนาแม้แต่พระศาสดายังถูกห่าป่าย่อเยยเพราะฉะนั้นไม่แน่นักว่า หากผู้คนใจมืดมาแล้วศา ส, สนาจะไม่ถูกยอ่อเยอ้ยเหยียดหยาม